ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่47เจ็โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมพีสาแผ่นที่47เจ็หลวงพ่อให้คติธรรมหัวข้อว่าศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จคำว่าศรัทธาคำนี้ ว่าความเชื่อถ้าว่าความเชื่อของเราสัมปยุต ด, ด้วยปัญญาหาเหตุผลในเรื่องนั้นๆก็ว่าศรัทธานั้นสัมปยุต ด, ด้วยปัญญาจะเกิดประโยชน์อย่างมากแต่ถ้าว่าศรัทธาเฉยเฉยเห็นอะไรก็ศรัทธาไปเรื่อยโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลศรัทธาตัวนี้ก็ทําให้ตกต่ําไปในทางชั่วได้ง่ายเหมือนกันเพราะนั้นขอฝากไว้กับ พระนักสาาัตยายาดโยมผู้ฟังธรรมคือฟังหลักเหตุผลฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นเรื่องสัตยาคมนี้นะขอฝากไว้เพราะหลวงพ่อเองเคยได้ยินเคยได้เห็นเคยได้รับรู้จากสาธุชนมากพอสมควรเพราะหลวงพ่อมีอายุยืนยาวมาถึงขนาดนี้หลวงพ่อได้ยินบางสิ่งบางอย่างก็ อดสูดูได้เพราะเหตุไรเพราะว่าศรัทธาตัวนี้แหละเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเชื่อไปแบบไร้เหตุผลไม่สมควรยิ่งสำหรับพวกเราเป็นลูกหลานชาวพุทธพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องมีเหตุมีผลเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อบาบุญคุณโทษเชื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว เชื่อนรกสวรรค์มีจริงอันนี้เราต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาของเราอีกทีนึงถ้าเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วนั่นแหละเราจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรเชื่อเราก็ต้องเอาเหตุผลมาหาักล้างแต่อันนี้มันก็ยากเหมือนกันถ้าเราไม่ได้รับการอบรมและไได้รับการศึกษาจากท่านผู้รู้มาก่อนโดยมาก เราจะเป็นผู้ตัดสินใจเ อ, อเชื่อและไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นยากอ ย, กอยู่แต่ถ้าเราได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้จากท่านผู้รู้มาพอสมควรแล้วเราจะมองทะลุเลยว่าอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่อเพราะฉะนั้นขอให้คณะจตนาญาติยาโยมลูกหลานทุกคนสจบแล้วก็คือให้ใยในการศึกษาใยในการเรียนรู้อย่าไปหลับหูหลับตาเชื่ออเอ ในสิ่งต่างๆได้อย่างที่ไม่มีเหตุไม่มีผลกว่านั้น MP3 สแผ่นที่47นี้ขอฝากแนวความคิดที่ได้เรียนให้ลูกหลานได้ทราบด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้ลูกหลานประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ลูกหลานทั้งหลายสมหวังดังปารถนาทุกทุกท่านเทอญ